ที่ดุจเตืองอัดพูดตอนกลางวันว่าถ้าเราเคยภาวนาในช่วงไหนนะก็คงจะทําในช่วงนั้นไปจำแต่ว่าจิตมันจะคุ้นมันเกิดว่าสีมันเกิดว่าสีขึ้นมาแล้วเวลาไปถึงช่วงนั้นปั๊บจิตที่มันโ ป, ปรแกรมโปรไว้ในะทุกวันก็จะมาได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีถ้าเราเคยทําช่วงเวลาไหน ที่เราทำประจำก็ช่วงเวลานั้นอาจจะง่ายขึ้นสำหรับในรูปแบบนะแล้วก็ในการทำถ้าหากว่าเรารู้จักรองลอยของจิตที่แต่ละครั้งที่เรานั่งเนะี่ยจิตเข้าสู่สภาวะไหนที่เป็นสติสมาธิได้ง่ายเราใช้นิมิตใช้อารมณ์อันไหนเป็นตัวเหนี่ยวนำก็ใช้ตัวนั้นให้ชำนาญ น, นะะ ว, ว่าบางครั้งเราจิตของเราที่มันเราร้อนมาจากชีวิตประจำวันหรือการไปทำอะไรต่างพอเรามานั่งปั๊บเนี่ยเราควรจะเอาจับอารมณ์ตัวไหนมาดึงจิตทีใ่ให้จิตของเรามันหายเราร้อนได้ไวมันเราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเราไปอาบน้ำเนี่ยก็สดชื่นแป๊บเดียวก็สดชื่นเหมือนรู้ว่าหายเหน็ดเหนื่อยไปทั้งวัน จิตของเราเหมือนกัน in, ที่มัมนวิ่งว่นร่อนไปกับอารมณ์ต่างๆทั้งวันเนเมื่อมาจับอารมณ์สติสมาธิตอนพักปฏิบัติปั๊บเนี่ยมันก็เข้าสู่ที่เย็นสดชื่นปั๊บจิตแล้วก็มีกําลังขึ้นมาใหม่อย่างที่ว่าอันไหนก็ตามที่จะทําเป็นเป็นวะสีหรือให้เชื่อมิชานานะสิ่งนั้นมันก็จะง่ายอันนี้ส่วนหนึ่งที่ต้องฝึกนะ ซึ่งในวิธีการที่เราใช้อยู่ก็คือทั้งส่วนที่เป็นสมถะและวิปัสนาไปพร้อมๆกันสมถะเหมือนกับการเป็นที่พักจิตให้หายเหนื่อยก่อนพอหายเหนื่อยแล้วทีนี้การที่จะไปะเฝ้าดูอะไรที่สภาวะอะไรต่างๆละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายนะ แต่ถ้าจิตยังลุ่มร้อนมันยังวุ่นวายอยู่เนี่ยอยากจะไปนำไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูอะไรลึกๆ ก, ก็ไม่ได้มันน้ำอะ่ะที่มันขุ่นอยู่มันก็เพิ่มอยู่เนะราจะไปดูอะไรลึกๆ ก, ก็ไม่ได้น้ําขุ่นอยู่จะดูกระเพิ่มอยู่ดูไม่ได้ก็ต้องทําให้ผิวน้ํานิ่งสงบใสแล้วจะมาดูอะไรก็ง่ายขึ้นนะอันนี้แต่ละคนต้องหาวิวัยเอาเองนะ ถ้าจะามาบอกก็เหมือนของธรรมาแต่เอาของธรรมาไปยุ่งก็อาจจะทําไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นะอันนี้บอกก็ไม่ได้เคิดลับเขล็ดวิชาไปหาเอาเองเ <laughs> ขล็ดวิชาไปหาถ้ามาบอกไปแล้วยุงไปทําไม่ถูกก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็ยุ่งหักก็ไปหาเพราะนั้นเรานั่งปฏิบัติแล้วเราต้องหาดูว่าสภาวะไหนจิต ท, ที่มันโล่งมันโปร่งได้ไว้สภาวะในจิตมันอ่ารู้ล อ, อง รูททั้งหมดแหละมันไม่มีรูปแบบตายตัวนะหาดูว่าเรานั่งอิเดียบทไหนล้วก็ใช้วิธียังไงหลับตาหรือลืมตาลืมตามากลืมตาน้อยหลับตาบ่อยหรือไม่หลับตาก็หาไปดูอันไหนที่จิตมันจะลงตัวถ้าหลับตานานเป็นยังไงหลับตาน้อยเป็นยังไงไม่หลับตาเลยเป็นยังไงก็ทดสอบดู เพราะแต่ละคนเนี่ยมันไม่ไม่มีรูปแบบแตายตัวเพราะว่าภาวะจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่อาจารย์กรรมฐานทั่วไปมันก็บอกที่ท่านบอกก็คือชํานาญในเรื่องของท่านท่านก็เรื่องที่ท่านชํานาญมาพูดให้เราฟังแต่พอไปเลยทําอย่างท่านเราก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นขอ ง, ของท่านใช่ไหมเราก็ต้องหาของของเราวิธีการของเราให้ชํานาญเพราะฉะนั้นว่าพอเห็นเลยว่าอาจารย์กรรมฐานในสอเขอยู่เงินก็ไม่เห็นว่าใครจะ พู้เรื่องอะไรมากมายก็เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> ใช่ไหมพูว่ากันตรงๆอ่ะแล้วก็พูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เราไปทาไม่เห็นเรื่องอันเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราต้องทําในเรื่องของเราให้ชนานาญแต่สิ่งที่ท่านมาชี้นำน่ะหมายก็ว่าท่านเป็นผู้เดินทางมาทางเส้นนั้นแต่วิธีการเดินของเราอาจจะไม่ใช่ของท่านท่านอาจจะใช้อะไรโมเดรไซ แต่เราอาจจะใช้รถเกิ๋งอย่างงี้นะถนนเดียวกันแหละท่านอานใช้รถเกิ๋งเราก็อาจจะใช้เครื่องบินอย่างเงี้ยหรือท่านใช้เครื่องบินเราอาจจะใช้รถสามล้ออย่างงี้ก็ได้ไปทางเส้นเดียวกันถึงเป้าหมายเดียวกันแต่พาฮะะในการเดินว่าแล้วแต่เรามีต้นทุนยังไงต้นทุนของธรรมากของโยมอาจจะไม่เท่ากันบางคนโยมบางคนอาจจะมีต้นทุนมากกว่าใช่ไหมต้นทุนมากกว่าเขาก็ไปได้ไวกว่า เนี่ยคือระบอกวิธีว่าเออเส้นทางไปอย่างนี้นะแต่วิธีการเดินเนเดินของหาวิธีเดินเอาเองก็แล้วกันแด้แต่ต้นทุนถ้ามีต้นทุนมากเอามา ก, ก็แทนที่จะไปรถสองล้อสล้อรถสี่ล้อไปจำทางอาเอามาก็ใช้รถเก่งเฉยเลยพื้นไปเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกมักทวิธีมัชชิมาปฏิปทามักควิธีเนี่ยของใครของมัน นั่นเองในวิธีการข้อเทียนเหมือนกันในข้อเทียนท่านคือเดินของท่านออกมาอย่างนั้นน่ะท่านจะไปเอาไปตามท่านทั้งหมดก็ไม่ได้เอ๊ะเราก็จําได้ทั้งหมดได้ทำไมาเวลาไปทําไม่เป็นอันนั้นคือทางของท่านแต่เราก็ต้องต้องวิธีการของเราหมายมว่าเคลื่อนไหวแบบของท่านอะใช้ทางท่านแต่ว่าวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไรที่เราถึงจะเอาจิตเราอยู่บางที่อาจจะต้องทํามากกว่าท่านหรืออาจจะทําน้อยกว่าท่าน อะไรก็แล้วแต่เราต้องหาดูความพอดีของตัวเองนั้นคำว่าภาษาอีสานมีว่าพอดีใครพอดีมันคือดีอินไหม <laughs> พอดีใครพอดีมันนะ <laughs> เห็นนราเรากินข้าวสามจานโยบีสามจานด้วยก็ไม่ได้จุกได้เลยนะ <laughs> เห็นจะมาทานแต่ผลไม้โยมาทานผลไม้ตามมาบก็ไม่ได้หิว <laughs> หน่าดูเลยมันกนะ็ <laughs> เรียกพอดีใครพอดีมันเพราะะฉนั้นเองใน <c oughs> สิ่งที่เป็นสูตรของพุทธเจ้าท่านก็วางเอาไว้อย่างนั้นนะว่าต้องไปอย่างนี้นะตามมรรคภิองแปดก็วางเอาไว้แนวมรรคภิองแปดควรจะเห็นอย่างไรนี่แต่เราก็ทําตามอย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นว่าอ า, อาจารย์สุพีนะอธิบายพระธรรมวิโดกละเอียดยิบเลยนะทำปฏิบัติละเอียดยิบจู่ๆไปแต่ ง, งานเฉยเลยเนี่ ม, ม, นะนมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องคำพูดเราไม่ได้นะม่ชีเล็กที่มา เราที่นี่ติดอารมณ์ระดูเลยันน่ะก็ทําถืออยู่นะอาจารย์แต่ทำามจำทาใจไม่ได้ก็รู้อยู่เน่างานนั่นแหละว่าเราไม่เข้าใจหลักของอนิจจังนะแต่ทีนี้ว่าเมื่อตอนกังวันด็อัเตอร์อัดองพูดถึงเรื่องความจริงนะเราถามว่าความจริงคืออะไรหลายคนก็ตอบหลายคนอย่างความจริงคือมากแปดความจริงคือ อันนี้ชงความจริงคือทุกครังความจริงอนัตตาความจริงท่านบอกมันเรืงจริงอย่างทุกวัน่วันนี้มันจริงพรุ่งนี้ก็เรื่องจริงแต่วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อีกอย่างไม่ใช่ความจริงแล้วท่านบอกแต่ความจริงระดับหนึ่งความจริงระดับสมมุติเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์เขาเรียกสมมุติที่สัจจ์นะแต่ความจริงที่เป็นปรมาจารย์คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงกี่พกกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีก็เป็นข้างมาอย่างนั้น แต่ความจริงระดับสมมุติก็เปลี่ยนวันต่อวันนาทีต่อนอาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆความจริงระดับสมมุติทึ่งอยู่ในระดับที่เป็นไตรลักษณ์อยู่แต่ความจริงระดับประมัติคือความจริงที่เป็นความจริงแท้ๆเป็นระดับต้องใช้ไตรสิขานะความจริงที่เรียกวมรรคผลวิภานเป็นความจริ ง, รงตรง น, <Me S 2> นั้นดังนั้นเราก็ต้องให้จิตของเราเไปคุ้นความจริงทั้งสองระดับ เราจะเอาความจริงด้านปรมัดอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาความจริงได้สมมติอย่างเดียวก็ได้พราะอะเพราะเรามีสองอย่างกายรูปทั้งหลายต้องอาศัยความจริงแบบสมมุติจิตของเรานามของเราต้องอาศัยความจริงแบบปรมัดนะแต่ถ้าหากว่าจิตของเราไปอาศัยความจริงแบบสมมติบ้างมันก็ทุกข์มันจะต้องแปลปรนไปกับใจรักใช่ไหมหรือว่าเราจะเอาความจริงแบบสมมติมาจับ มาใช้เป็นประมัดอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้ากับเพื่อนไม่ได้กลัวแล้วก็กูัปรามัดทั้งนั้นนไม่มีไม่มีอะไรอัตลักษอย่างเดียวเนี่ยเข้ากับเพื่อนก็ไม่ได้อีกเห็นไหม <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้ถูกระดับว่าเอออย่างเนี้ยคนจะใช้สมมติเขาว่ายัางไงก็ว่าตามสมมุติอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรารู้ความจรงทั้งสองอย่างมันอยู่กระทางสมมติก็ได้อยู่ประวัติยามารู้จักเพราะมันก็สบายใช่ไหม ดันั้นการมาปฏิบัติเนี่ยให้เกิดความฉลาดในการใช้อารมณ์ของจิตแต่การที่เราจะฉลาดใช้ตรงเนี้อันใช้คําว่าต้องมีกุศลที่เราไปใช้คําว่า Skillful Skill ค Skill ือเคยใช้ให้เป็นทักษะให้เป็นชํานาญอะใช่ไหมเพราะนั้นเวลาใช้คำากุศลแล้วจิตทีใช้ ว, ว่าสกิล l ูลมใช่ไหมแต่คําว่า w โฮ s o m e เนี่ยมันยังไม่แน่ใจว่ามั น, มนใช้เป็นกุศลแล้จิตยังไงอีกสัมปันใช้โฮสซ์มใช่ไหมแต่ว่ากุศลมือนกัน ถ้าหาว่าสกิ l ฟูลนี่มันพอจะเข้าใจได้มาจากคําว่าสกิลเยอะไหมสกิลว่าใบวัฒนักษะ์ ช, นชำนิชานาญอย่างสมมุติว่าเราชํานาญในการซ่อมรถอะไรเงี้ยเราก็มีสกิลในทางนั้นแล้วก็สกิ l ฟูลก็นึกลบจะสอนจะเสียอย่างไรนี่มันเห็นภาพหมดแค่แค่มองแต่ทีนี้ถ้าหากทั้งที่เราสกิลชำนิชำนานทั้งหมดไม่เท่ากับสกิล l ูลมาคือไม่เท่ากับความชำนิชำนานเรื่องจิต นะเพรชำนิชำนาญในเรื่องจิตแล้วเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างมันเป็นโลกาวิถูเราจะทำไงเราชำนิชำนาญเรื่องจิตก็จะต้องรู้จักว่าจิตมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงเพราะกายเนี่ยมันเกิดจากจิตนะเมื่อก่อนเราก็ไม่มีกายอย่างนี้ใช่ไหมอาศัยพ่อแม่เรามาเห็นกันเอาจิตของพ่อของแม่มาเห็นกันก็เกิดชอบกันรักกันเอาจิตสองจิตมาบวกกันก็มาเป็นรูปเป็นนามใช่ไหม ก่อนหน้านี้พ่อแม่ไมเ่เจอกันเราก็ไม่ได้เกิดเพราะพ่อนามพ่อนามของพ่อของแม่ไม่มีปัญญาใช่ไหมก็เลยมาสร้างนา้ํน า, มกกนามลูกนํามลูกก็เลยเกิดเป็นลูกน้ําเรานี่พอเราเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องปัญญาเราก็สร้างน้ํามลูกใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปหาลูกน้ํา ม, มาเลี้ยงต่อยอยก็ไปอย่างเงี้ยวบนอย่างเงี้ยทีนี้เราโอ้แต่ว่าอยู่กับลูกนา้ํามลูกมันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์กันมาหลายภพหลายชาติไม่จบไม่สิน้นกลับไปหาที่เดิม กลับไปหานามใหม่ที่กลับไปหานามใหม่ที่นี่มันจะต้องหาอะไรหาปัญญาอ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาแล้วรักษานามล้วนๆไม่ได้เพราะฉะนั้นปรมาจารก็เป็นนามล้วนๆเป็นคนจริงล้วนๆนั้นตัวนี้จึงมีทุกคนนะที่ท่านเรีนว่าตัวนามตัวนี้ที่เป็นปัญญาเป็นพุท ธ, ธเนี่ยเป็น สัมมาปัญญาเป็นสัมมาสัมโพธิหรือว่าคือเป็นตัวรู้ที่มันถูกต้องที่มันอเป็นความจริงอสูงสุดนะที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็ปรากฏในความจริงชนิดนี้นก็มีอยู่ในเราทุกคนเหมือนกันนะเราพระพุทธเจ้าก็มาบอกเออเราทุกคนมันมีอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ฉันมีคนเดียวนะเราจะทำยังจึงค้นพบไ อ, อ้ตัวเนี้ยถึงจะเอาตัวนี้มาใช้ได้มันมีแล้วยังใช้ไม่ได้ เพราะอะไรใช้ไม่ได้รู้ไหมโยมชื่อมโยมมณีใช่ไหมนั่งโยมมณีมีอยู่แต่ยังใช้ไม่ได้เพราะอะไรโยมชงศักยมชงศักยมไม่รู้ <laughs> วิธีเอาน้ำมาใช้ไม่รู้วิธีนามาใช้ถามว่าใต้ดินนี่มีน้ำไหมมีนะแต่เอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ใช่ะจะทำยไงีไงขึ้นมาใช้ได้ทีนีย ต้องขุ ด, ดใช่ไหม อ, อ่านั่นนะแต่มันก็ลึกไปอ น, นะ <Yeah. S 1> ออขุ ด, ดยากแต่ว่ามันลึกอย่างว่าไอ้คนรู้สึกตัวของเรามันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเลยนะแล้วสัมผัสได้แต่ลอเวลาเนี่ยใช่ไหมมันควา้าอ่าหยิบได้ใช้ถึงเนี่ยจะพูดถึงว่าเพศนินจินดาในดินในหินก็ยั ง, ยงว่าไกลไปน้ําในบกก่ยังไกลไปแต่คนรู้สึกตัวในสัมผัสได้แต่ลอเวลามันไม่ไกลเลยนะ <Yeah. S 1> มันน่าจะเอาง่ายกว่า น, นั้นอนะแต่ทําไมใช้ไม่ได้เต็มที่ เพราะอะไรเอ้ใครจะรัได้พราเรามีตั้งย่าเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ตื่นน้อยไปกําลังมันน้อยไปยังไม่มีกําลังใช่อไหมยังไม่มีกําลังทีนี้เรามันจึงมาเพิ่มกําลังให้มันเท่านั้นเองอถามว่าไฟมีไหมมีแต่ทําไมไม่ใช่ มันไม่พอ <c oughs> ก็เดินไปเร่งแรงไปใช่ไหมเพอาะนั้นทุกวันนี้เขาเลยขายกระแสกันใช่ไหมขายอสัญญาณกันสัญญาณอินเทอร์เน็ตอถ้าคุณจะให้ดีกว่านี้คุณก็ต้องเสียเงินแพงหน่อยเดือนละยี่สิบเหรียญมันไม่แรงพอใช่ไหมเอาเดือนละสี่สิบเหรียญก็ยังไม่ไม่พอใช่ไหมเอาห้าสิบเหรียญไปนึ่งเห็นไหมเหมือนกันน่ะเหมือนกันสัญญาณเราแค่นี้เรายังไม่พอนะสัญญารู้แค่นี้เราต้องเพิ่มสัญญาณสัญญาณตัวรู้ตัวนี้ยให้มากขึ้น คือคือสัญญาของเราเนี่ยทาให้เป็นปัญญาถ้าเป็นเฉพาะสัญญาอย่างมันไม่พอใช้ต้องพัฒนาสัญญามีแรงสูงขึ้นไปเป็นปัญญาแล้วปัญญาบางก็ไม่พอใช้อย่นะพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นอะไรเป็นญาณนะเป็นญาณก็ยังไม่พอใจขึ้นเป็นวิชาพัฒนาวิชาก็ยังไม่พอใช่อีกเป็นอโลกาอะโลกาสัญญาแสงสว่างนะพัฒนาขึ้นไป นี้วิธีพัฒนาจะทำอยงไรนี่อันนี้เราจะพูดกันวิธีพัฒนาเบื้องต้นเราเอาสูตรของพุทธยาว่าก่อนนะวิทยาเบื้องต้นให้เห็นว่าตัวรูปกับนามกายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์และเป็นที่ตั้งของการดับทุกข์ถ้าไม่มีสองอย่างนี้พุทธิจ่าว่าฉันไม่จะเป็นต้องมาตรัสรู้ก็ได้ แต่เพราะมันมีสองอย่างเนี่ยถึงมาตัสดสรู้เพราะต้องการตัสดสรูต้องการมาสอนเรื่องนี้เท่านสอนหนึ่งมีทุกและการดับทุ ก, ท ก, กนนอยู่ในนี้ทุกอาศัยอะไรเกิดอาศัยรูปเกิดการดับทุกอาศัยอะไรเกิด ป, ปัญหาง่ายงายฮะอาศัยน้ำอาศัยบัญญาที่ <laughs> ปัญญามาทีหลังอะแต่นาำ ม, มันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมอาศัยดับทุกข์เราอาศัยนามมันเกิดถ้าไม่มีนา้ำการดับทุกข์เกิ ด, ก ด, กดไม่ได้เพราะนั้นอริยสี่ก็คือรูปนามใช่ไหมทุกสมุทัยเป็นรูปทน่โลดมักเปน็นน้ำสี่ประทานสีก็คือรูปของน้ำกายเวทนาเป็นรูปจิตกับอารมณ์เป็นนามเห็นไหม ตอ น, นั้นเราก็มาดูแค่แค่รูปนามแค่นี้มันก็จะครอบคลุมทั้งอริยสัตว์ีประธาน4ีหมดเลยและทีนี้ว่าจะทำอย่างไรในรายละเอียดที่เราจะลงลึกก็คือในรูปนามของเราเนี้ยที่ได้แจงไปแต่ละวันแล้วว่ามันมีกี่ชั้นรูปมันมีกี่ชั้นใช่ไหมชั้นตั้งแต่หยาบกลางละเอียดฮะแล้วก็ในสามชั้นนี้ก็มาแบ่งแต่ละซอยลงไปอีกหยาบระดับไหน ให้ใจหยาบให้ใจกลางให้ใจละเอียดใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนแบบหยาบยืนเนเดิแบบกลางยืนเดินนั่แบบละเอียดให้ยีเดียวบุญย่อยแบบหยาบยืนบุญย่อยแบบกลางเยืนบุญย่อยแบบละเอียดถ้าสี่แบบหยาบถ้าฉีแบบกลางถ้าสีแบบละเอียดอาการสายพิษสองแบบหยาบแบบกลางแบบละเอียดของเสียแบบหยาบแบบกลางแบบละเอียดใช่มมียมีหลายดับของมันแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่เราจะไปไล่ทีละดับทีละขั้นรอนโน่นวนวาย สับสนก็มาดูความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ก็แล้วกันความรู้สึกที่เราทนไม่ได้เป็นแล้วความรู้สึกอะไรหยาบใช่ไหมความรู้สึกเราพอทนได้แล้วความรู้สึกที่เป็นไงปานกลา ง, ลางความรู้สึกที่คือสบายเป็นความรู้สึกที่ละเอีย ด, ด, ดก็มีแค่สามระดับนี้ใช่ไหมก็ดูมันแค่สามระดับนี้ดูให้ชํานาญทั้งสามอย่างนี้เราชอบอันไหนระดับกลางหยาบละเอียดเนี่ย จอบละเอียดนะแต่เราเราได้อยู่กับมันได้นานไว้เราละเอียดนะอ่าไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะมันเป็นความละเอียดของรูปมันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นกลางเป็นหยาบแต่ถ้าาว่าเป็นหยาบกลางละเอียดของนามมันก็จะคงที่นามหยาบเป็นยังไง <c oughs> อ่าที่สอบปรอหลุมล้นะ รูปหยาบกลางละเอียดนี่พอพอเดาออกใช่ไหมแต่นำระดับหยาบนำระดับกลางนำระดับละเอียดไปไงรูปยังไม่ชัดเลยครับฮะรูปยังไม่ชัดเลยเก็อยู่กับวันทุกวันไปดูอะไรไม่ดูรูปไปดูอะไรรูปที่ปทเป็นหยาบใช่มไหมก็นั่งมันหนักๆขาเนี่แหละหยาบแล้วนะทนไม่ได้มันทนไปหูกระวนกระวายทนไม่ได้มันหยาบแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยน พอเปลี่ยนไปปั๊บระดับการเกิดขึ้นพอทนได้เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็พอเปลี่ยนอีกที่หนึ่งปรับให้พอดีสมดุล น, นานเข้าเปลี่ยนจนเลือดลมมันสมดุลเข้มแขงมันก็ละเอียดลงไปสบายทนได้สบายเช่นอยู่ในรีโบดที่ไหนที่สบายกว่าอ่าอ่าดูนั่งเหยกขาในสบายกว่านั่งคู่ขาใช่ไหมเอ่ออะไรนอนได้ทีก็ยิ่งสบายลงไปอีกใช่ไหมยิ่งละเอียดครับพี่ เพราะงั้นนี่คือหาได้ความความละเอียดความยาวอ่ะเข้าใจยังที่เราแต่ว่าละเอียดนี่นะถ้าไปชูละเอียดเนี่ยถ้าปัญญายังไม่เกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นเสพติดเพราะเกินพอดีอ่าใช่ไหมคนก็ถ้าหาคนไปเสพติดความสบายเกินไปกลายเป็นคนอะไรคนขี้เกียจ <laughs> แต่ขี้เกียจนักมันอยากจะให้มันสบายยิ่งกว่า น, นั้นอีกทาไง ไปกินเล้าไปสูบยาไปกินเฮโรอีนไปฉีดโคเคอะไรไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ย mm hmm. เห็นไหมนี่คือการไปเสพสุขแล้วมันจะเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นต้นเหตุของทุกข์ใหม่นี่พอในระดับในระ ด, ะดับละเอียดความสุขระดับละเอียดเรื่องความสุขที่ไม่มีปัญญามันก็จะไปเสพเกินเพราะฉนั้นถ้าจึงมีมาตรฐานปานกลางเอาไว้จะต้องมีอะไรมัชฌิมาปฏิปทาคือให้พอดียาบก็ให้พอดี กลางก็ให้พอดีละเอียดก็ให้พอดีให้เกินถ้าหยาบเกินไปเป็นไงนั่งแช่มาทั้งสามชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนเลยไหวไหมอันนี้หยาบเกินไปอ่า น, นั่นวิถีของวิธีขอ ง, ขอ ง, ของพราหม์วิถีของฤาษียิ่งนานยิ่งดีเอานั่งได้เพราะอันนั้ น, เ, น, นเขาอีกวิธีหนึ่งวิธีที่เจ้าเคยไปเป็นพรหมเขาไม่เปลี่ยนอันย่อแล้วทำไมสภาพร่างกายเาขาเพราะเขาฝึกมาชํานาญแล้วนี่ ทำบ่อยๆก็ได้มาก็นั่งได้ทำบ่อยๆร่างกายเขาประะาบมันเองก็มีวิธีแต่ว่านานๆแก่ๆไปไม่ได้นะแก่ไปร่างกายก็พังแล้วอืาเห็นพระกรรมฐานที่ทําสมถะมานา น, านเวลาบั้นปลายชีวิตมาก็นอนแช่เอามาพึกเอามาพาดเป็นพระราของอื่นไปก็นั้นดีเบื้องต้นบางปลายไม่ดีนะทีนี้มาดูนามหยาบนามกลางนามละเอียดเป็นยังไง ถ้าใครตอบได้ข้อนี้ก็จบเลยวันนี้อ้าวทายดูทายดูอจะให้เฉลยไหมเนี่ยหรือ mm hmm. ไ, ไปหาดูก่อนค่อยมาให้เฉลยวันหลังมา mm hmm. เฉลยวันหลังเพราะฉะนั้นในจุดนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็คือความชื่อชำนาญเมื่อเกิดความชิ่อชำนาญแล้วมันก็เหมือนหนึ่งว่าเรา ใช้ของที่เราชํานาญเราจะใช้เมื่อไหร่มันก็ได้แต่ก่อนที่เราจะใช้ชานาญหมายคาว่าตอนแรกมันต้องยากก่อน่ะใช่ไหมต้องอยากอาศัยทําบ่อยๆทําครั้งสองครั้งยังไม่ชํานาญทําบ่อยข้บ่อยขก็ชํานาญบางอย่างมันก็ซับซ้อนทำสองสามครั้งก็ยังจําไม่ได้อีกใช่มหมสี่ห้าครั้งก็ยังลืมอยู่ทําบ่อยๆแต่มันยากเท่าไหร่ก็ทําบ่อยขอบ่ข้อยิ่งบ่อยมันก็เกิดจําได้จําได้ก็ชํานาญนะ ในเรื่องของรูปนามมันง่ายๆใช่ไหมพอไปเรื่องของนามรูปยากเข้าไปอีกหน่อยนะึงพอเรื่องของนามล้ ว, ลวนๆก็ยากเข้าไปอีกอ น, นีมันก็มีระดับของมันละเอียดของมันดังนั้นในทั้งสมระดับเนี่ยทำระดับระดับกลางให้ชํานาญก่อนไอ้ระดับง่ายๆนี่นะให้ชํานาญก่อนว่าอย่างง่ายๆเช่นว่าเจ็บมันยากใช่ไหมแล้วเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างไร ตั้งอยู่ยังไงแล้วเจ็บมันดับไปยังไงดูตรงนี้ให้ชํานาญก่อนการเห็นเกิดขึ้นของความเจ็บความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นอย่างไรขณะดำรงอยู่เนี่ยกายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงทีนี้พอเราเปลี่ยนมันออกไปมันหายไปอย่างไรมันหายไปไหนความหนักความปวดความเมื่อยความสิ่งที่เป็นความชราความแก่ความเจ็บทั้งหลายนี่นะมันเกิดขึ้นอย่างไร ความเจ็บเหตุเกิดของความเจ็บการดับความเจ็บวิธีดับความเจ็บการตายเหตุเกิดของความตายวิธีดับความตายเราการตายวิธีดับความตายทํำยังไงมันก็ต้องมาดูการตายไอ้ที่มันเป็นเป็นนี่ก่อนอย่างสมมุติว่าความหนักเนี่ยมันเกิดใช่ไหมแล้วทําไงให้มันตายเปลี่ยนในบทมันก็ตายไปไอ้ตอนที่มันไม่ตายมันเป็นไง มันก็หนักไปเรื่อยๆเลยเพราะไอ้การที่หนักไปเรอยกเขาเรียกว่าการเจ็บจอ่าก็เจ็บเพิ่มก็เป็นชลาอ า, า, า, อาอใช่นั่นมันเกิดขึ้นตามรดับห็นไหก่อนที่มันที่พรเยซูนั่งเราเป็นเด็บเลยไม่ใช่ใช่ไหมอ่ามันก็จะตายระดับไปเรื่อยๆเลยไอ้การที่ตายระดับขึ้นไปเราเห็นมันหมมีความรู้สึกคอยพิจารณาไปเออืมาะอันนั้นเขาเรียกว่าไปพิจารณาอาการแต่ไม่ได้เห็นอาการ ถ้าเห็นอาการเราก็จะต้องดูอีกแบบหนึ่งสูง ม, มันหนักใช่ไหมทีนี้ต้องดูว่าไอการหนักไปนานๆเป็นไงแล้วทีนี้เราขยับนี่เดียงขนักหายไปก็รู้ว่าหนักเนี่ยมันจะต้องเพิ่มใช่ไหมถ้าเราหนักต่อไปอะพอมันเป็นกฎท้องการเปลี่ยนแปลงต้องเพิ่มแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเราเพิ่มแต่พอดีเนี่ยทาไงอย่าให้มันเกินมันต้องเพิ่มแต่อย่าให้เพิ่มพอดี ก็คือระบายมันออกไปใช่ไม้มสมมติว่าเราไปช่างของเนี่ยซื้อของสิบกิโลนะเออ ย, ยูย่ๆตรงไปเอสิบห้ากิโลทำไงทีนี้ก็หยิบออกเออไอ้ความหนักความเจ็บความปวดร่างกายของเรามันหนักได้มันทนได้แค่นี้นะถ้ามันเกินไปไงเข้าออกไอการรู้จักเอาเข้าออกรู้จักใช้ให้พอดีตรงนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญามันเกิด ปัญญามันเกิดตรงนั้นรู้จากความพอดีหาความพอดีของหยาบหยาบให้ได้ก่อนอันนี้ในส่วนที่หยาบยังหาความพอดีไม่ได้เลยหาความพอดีมันไม่เป็นไอ้กลางมันก็ยิงหนักเข้าไปอีกไอ้ละเอียดเราไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมหาความพอดีมันยากอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเพราะฉะนั้นทําไปมั่วๆไม่ได้ต้องทำแล้วต้องเห็นอ่า ขั้นตอนการวิวัฒนาการมันชัดๆแล้วมังงั้นเราเราจะชำนาญได้ยังไงใช่ไหมถ้าชำนาญไปแบบผิดผิดก็เหมือนเด็กในอู่ใช่ไหมมันก็ชำนาญเหมือนกันนะแต่เอาหลักวิชาการไปจับมันไม่ได้เรื่องเลยนะให้มันไปเรียนต่อไม่ได้มันก็ชำนาญแบบประสบการณ์บางอย่างมันก็ชำนาญแบบผิดผิดแต่พอได้เรียนหลักมาบ้างมันก็เกิดชำนาญเพราะเขาชำนาญแบบถูกต้องมันไปได้มันต่อได้ไปสร้างรถสร้างเลือยสร้างอะไรต่อได้แต่เด็กอู่ก็คือเด็กอู่ จะบอกให้ไปซ่อมไปสร้างอะไรดีกว่านั้นมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นจำกัดเพราะนั้นตัวหลักทฤษฎีเราก็ควรจำมาไว้มัางเพราะอะไรเพราะนั้นคือทางที่เราจะเดินมันจะเดินต่ออย่างไรถ้าหากว่ามันถ้าจาทางไม่ไดำเดือต่อไม่ได้นะเพราะนั้นในทฤษฎีวิชาการก็คือมันมักเป็นทางเดินแผนที่นะ แลเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็เริ่มดูจากอาการที่ปรากฏที่มีก่อนอาการที่มีอยู่ก่อนสมมุติภาษาเขาเรียกว่าอะไรอาการหนักอาการเบาเนี่สูงภาษาเขาเรียกว่าอาการของอะไรอาการของรูปนามใช่ไหมในส่วนหนักรูปไม่ใช่รูปที่เรานั่งนี่นะรูปของอะไรรูปของความหนักความเบาที่เราสัมผัสได้มันหนักเป็นรูปใช่ไหมรูปของอะไรหนัก ลูกของดินใช่ไหมไอ้ที่มันเคลื่อนไหวในลูกของอะไรลูกของลมอลูกของที่มันเจ็บมันปวดมันแสบนี่ลูกของอะไรลูกของไฟอเวลาเปลี่ยนเมืแลไรมันเบาขึ้นเป็นลูกของอะไรเป็นลูกของน้าอย่างเงี้ยให้ดูลูกอันนี้ก่อนอ่าแต่จะไปดูลูกของเรานะแต่ลูกของดินของน้าของลมของไฟ ดูทีไรมันเห็นเราทุกทีนี่ยังยังไม่แสดงว่ามันยังดูไม่ถูกดูทีไรเห็นแต่ดินน้ำดวงไฟไม่เห็นเราเลยเราหายไปสนุกไหมอพอไปเจอดูทีไรก็เจอเจอแต่เราเหี่ยเราเบื่อแล้วเกินเราขี้เกียจเหลือเกินแต่พอเอาเราออกได้เนี่ยมันไม่มีเลยว่าต้องมีอเวลามีการมีเท่านั้นเท่านี้ไม่มันหายไปเองนะ การดูอย่างเงี้ยดูหยาบกลางละเอียดดูรูปแบบหยาบก็เห็นเป็นดุ่นเป็นก้อนเป็นแท่งแต่รูปแบบกลางลงไปเห็นเป็นธาตุดินน้ํำลมไฟดูละเอียดลงไปเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นชิ้นเป็นส่วนอาการสามสิบสองดูละเอียดลงไปเห็นอะไรเห็นความเสื่อมของรูปเห็นได้สุภาพณ์นะเห็นไหมเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นมีชั้นไปใช่ไหม ถ้าเราเราพิจารณาเฝ้าดูอาการสืบประจากอาการที่มันหนักมันไม่สบายนี่แหละสืบประแต่อาการนั้นนี้แต่พิจารณาอาการที่มีอยู่และมันมาจากอะไรเนี่ยแล้วเข้าไปดูอาการโดยที่อาศัยหลักตัวนี้เป็ น, เ ป, นเป็นตัวเหนี่ยวนําให้ดูเนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิจัยไม่ใช่วิจาร์แต่วิจาร์หมายความว่ายกเรื่องอันอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับความจริงขณะ น, นี้ขึ้นมาพิจารณานะนะ สมมติรยกเรื่องเออบานคนนั้นคนคนนั้นเป็นนิจจังทุกครั้งคน น, นั้นเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ดูอาการเขาเลยเองว่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรไม่ได้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายกาลังปรากฏในตัวเองแต่ไปเห็นการเกิดแก่เจ็บตายการเปลี่ยนแปลงข้างนอกตัวนี้จึงไม่เป็นสติไม่เป็นธรรมวิชย์ยะล้เพราะนั้นการยกการย่างการขยับเขยื่อนทุกทุกครั้งมีความหมายใช่ไหมมีความหมายได้เห็นอะไรเห็นความ อยาความเป็นกลางและความละเอียดของทั้งรูปและทั้งนามพอเราเห็นรูปจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเรียกว่ารู้จักรูปนามพอรู้จักรูปนามตามความเป็นจริงแล้วมันจะต้องลดอะไรได้ลดความสําคัญผิดในเรื่องตัวเองได้ใครจะมาด่ามาว่าอย่างอาจารย์โอหัดว่าททั้งกลางวันใช่ไหม เขาให้พรเราเนี่ก็ด่าเราอ่ะนี่เวลาเขาว่าไม่ถูกใจยังน่าอย่างเบี้ยวอย่าไม่เห็นตัวเป็นเห็นรู ป, รปนามเป็นกูอยู่เลยยังไม่เห็นรูปนามเป็นท่านสี่เ <c oughs> ขาเขาด่าเ ข, า, ขาว่ามาก็ว่าเออเขาช่วยเราสร้างบา ร, รมีเขาเป็นอาจารย์เรานะยกมือขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเคยทํำไหมไม่ไม่ใช่ยกมือที่จะ ง, ง้างตบแล้วนะ <c oughs> ่เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันมันทำได้นะแต่เราฝึกทําบ่อยๆนะ ทุกทางบ่อยแล้วชีวิตมันก็จะปิดล็อกอ่ะชีวิตไม่ติดกับอะไรเลยปิดล็อกชีวิตชีวิตของเราเราก็อเป็นกายเป็นดินน้ำลมไฟใช่ครับมีคถามค่ะในระดับของความอยากหรือเอื้อใช้มาติดใจไหมไม่ต้องเห็เป็นไปเองเราไปดูอาการโดยรวมของมันแต่ว่าให้เรารู้ว่าอาการนี้มันออกมาจากอะไรแต่มันไม่ใช่ไปแยกแยะว่าเออดินเป็นอย่างนี้เดนอันนั้นเป็นสมรรทนะคือไปเอาเอารูปมาเป็นนิมิต แต่อ า, อาการของมันออกมาเป็นนี่กว่าอาการ32แต่ในหมวดนั้นท่านไม่ได้ว่าเอาไว้ว่า32นะแต่ว่าท้าว่าติงสาอาการคืออาการมันดูอาการโดยรวมของมันอาการโดยรวมของมันออกมาเป็นอะไรอยากกลางละเอียดอยากก็คือหนักมากเจ็บมากปวดมากไม่สบายมากใช่ไหมกลางก็ตอนไหนตอนที่เราบำบัดมันใหม่ๆ ละเอียดก็คือเปลี่ยนอีริบุตรไปตึมเปลี่ยนไปทางหนึ่งเลยไม่ต้องแช่ตรงนี้ล่ะเปลี่ยนไปอีกทางนั่งไปนั่งเก้าอี้ไม่ไปยืนไม่ไปนอนไม่หรือไปทําอะไรให้มันสบายมาละเอียดละ่ะแต่มันพักเดียวอะนะเ mm hmm. พราะมันอะไรเพราะมันติดรูปอยู่อแต่ถ้าชํานาญขึ้นชํานาญขึ้นชํานาญขึ้นจนกระทั่งเราไปบําบัดว่ารูปหนักเพราะอะไร mm hmm. ใช่ไหมเพราะการเปลี่ยนอิริบุตรไม่พอดีเพราะบริหารดินน้าลงไฟไม่ดี บริหารธาตุ ด, ดินไม่ดีเพราะอะไรกินมากเกินไปธาตุแปรปรวนบริหารธาตุน้ําไม่ดีน้ําน้อยเกินไปร่างกายกรอบแห้งปวดเจ็บง่ายบริหารธาตุไฟไม่ดีเป็นไงไม่ได้ออกกําลังกายแรงเผาผลานอาหารตกค้างไม่พอร่างกายก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเจ็บนั่นปวดนี่ได้ง่ายเงี้ยเดี๋กลับไปดูอาการเหล่านั้นมันหยาบเราก็มาลดอาการคือลด สิ่งที่จะไปซ่อมแซมในท่าสีของเราเนี่ยให้ถูกต้องให้ให้ให้พอดีกับกําลังของมันแต่ส่วนใหญ่เราเพิ่มเกินกําลังใช่ไหมเกินกําลังโดยเฉพาะเกินกําลังสิ่งเหล่านี้เราไปเพิ่มเกินกําลังของท่าสีเพราะอะไรเ<ม>พราะอะไรจึงเราจึงไปเผื่อเพิ่มมันมากขึ้น อ, อ้าเป้เลยเพราะความ อ, อยากอ พราะความอยากนะเราอยากจะได้วันดีๆเนี่ยมันไปเพิ่มความอยากมันก็ไปทําไปเพิ่มน้ําหนักนะเหมือนเราเดินทางไปเนี่ยหนักเหลือเกินก็เหมือนเอาเยอะนี่นะมันก็ออกกูเสียดายมันหนูอยากจะได้เยอะๆของมันดีๆจะไปกล้าเอาทิ้งอย่างนี้เป็นต้นเพราะความอยากเพราะนั้นท่านจึงใช้กระโพชนีมัตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการใช้ในปัจจัยสี่ อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาใช้ให้พอดีถ้ามากเกินไปแต่ละวัดเดี๋ยวนี้นะปัจจัยสี่เต็มวัดเลยเนาะก่องเบลนทึนเทึะพระองคก็ทําไงได้สองศรัทธาปุ๋ ย, ยู่ตามกันศรัทธายมก็อยากได้อะไรอยากได้บุญพระอยากได้อะไรอยากได้ลาบอยากได้สบายเห็นไหมมันก็อยู่ในความอยากหมดเลย มันก็เลยเกินพอดีอันนี้วิปัสนาไปยากมันหนักเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปลดเหตุปัจจัยมันลงนะ น, นั่นในจุดนี้มาว่าเราให้ศึกษาในง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าไปต้องไปลงลึกอะไรหรอกแต่ว่าให้สืบนี่ลงไปนะให้สืบรายละเอียดลงไปแต่ว่าหน้าเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างด็อกเตอร์ อ, องอาจว่าหน้าที่เราจะทํางานโดยคือหน้าจอหนะ่อนยะใช่ไหมแต่ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเ ย, ยอะแยะไม่หมดใช่ไหมแต่เราก็เอาเฉพาะที่มันมาปรากฏข้างหน้านี่แหละเอาปรก า, า, ร า, า, นน า, า, ากาาุหน้าจอของเราในขณะนี้เลยเย็นแล้วนอนแข็งถึงร่างกายไว้หน้าจอใช่ไหมแต่เบื้องหลังของมันเยอะแยะเราก็ค่อยสืบเลือกมาทีละอย่างละอย่างเท่าที่กําลังของเราพอเรียกมันใช้เปิดหน้าตั้งหลายหน้าที่โอ้โหเต็มไปหมดมใช้ไม่ไหวเนาะ คมก็หนักเปิดไหลได้กันด้วยเหมือนกันไม่มไดต่างกันแต่นั้นเองเราก็เปิดไอ้หน้าจอนะ่ยมันยังมีเวลาปิดเวลาเปิดใช่ไหมแต่หน้าจอของรูปน้ําเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาใช่ไหมกำลังหนักนะมันต้องใช้พลังหนักหน้าจอขอมเราเปิดไว้ตลอดเวลาร้อนนั่นะแต่หน้าจอของรูปของนาําร้อนกว่า แต่ถ้าเราระบายความร้อนไม่เป็นเว่ไงทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปคือร้อนเท่านั้นเกิดขึ้นร้อนเท่านั้นตั้งอยู่แล้วร้อนเท่านั้นดับไปเราจะหาทางระบายให้ความร้อนมันเป็นยังไงก็ต้องอะไรทําให้เกิดความร้อนของรูปเรื่องนามอะไรอืมคําตอบเดียวกันที่โยมพุงศักว่ามันไม่เกี่คอยา <c oughs> นั่นแหละต้นเหตุมาจากนั้นแหละสมุทัยอ่ะใช่ไหความอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นพอมันไม่ได้อย่างใจก็เบื่อก็เบื่อเบื่ออยากๆนั่นแหละอันนั้นแหละสมุทัยของมันทีนี้เราจะยังไงให้ให้เห็นความอยากความเบื่อให้ชัดชัดพอเห็นมันชัดๆแล้วอยากมันมาอย่างนี้เบื่อมั้ถ้าไม่มีเบื่ออยากก็ไม่มีถ้าไม่มีอยาก เบื่อก็ไม่มีใช่ไหมเราก็มาตั้งทฤษฎีว่าความอยากเหตุของความอยากการดับความอยากวิธีดับความอยากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอาเข้ามากดของนิสสีหมดเลยเป็นหลักสากูเลยความหิวเหตุเกิดของความหิวความไม่หิววิธีการที่จะไม่หิวความปวดเหตุเกิดของความปวดการไม่ปวดวิธีจะให้ไม่ปวดทาไง การตายเหตุของการตายการไม่ตายวิธีที่จะไม่ตายทําไงเอาไปไปใส่สูตรนี้หมดไปสู่สากลนี่ที่พุทธญาติารู้แต่เวลาเราปฏิบัติไม่ได้สติขึ้นมาทําไมไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิ่เชนา่ากลับไปเอาเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องการเรื่องอ ง, อ ง, อ ง, งานมาฟุ้งเฉยเลยอะ่ะถ้า จ, จับเข้าไปในโปรแกรมนี้เนะี่ยมันก็ไปได้ดีนะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จิตของเรามันก็จะมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละมันไปไหนลรอธรรมราตาธรรมปิติธรรมหันษาก็จะเกิดขึ้นของมันเองพอเราจิตของเรามันก็จะการที่จิตจะมาอยู่กับความจริงตรงนี้ได้นะมันจะต้องคุ้นเคยนะถ้าจิตของเราไม่คุ้นเคยความจริงในระดับสมมุติคืออะไรโยมทีนวน ความจริงในระดับสมมติคืออะไรอ่าฟังมาตั้งนานแล้วนี่นะฟังรหรืเปล่าที่อุ่นเนี่ยฟังฟังนี่เดี๋ยก็ถามว่าความจริงมันมีสองระดับใช่ไหมถามว่าความจริงในระดับสมมตินันคืออะไรอเอาคขาพูดไปเมี่กี้เนี่ย<ม>ต้นรายการนะก็คือลูก <laughs> กับนามาลูกความจริงนี้ดับสมมติใช่หมแล้วความจริงนี่ดรบประมาทคือนาแค่นั้นเองอเพราะนั้นเราก็จะมาดูความจริงสองอย่างนี้ลูกกับ น, นามแต่ดูแล้วให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ไม่อไรก็อยู่ในแต่ระดับหยาบระดับกลางยังไม่ถึงระดับละเอียดยิ่งไปไม่ถึงเลยเพราะเราไม่ชนานาญเล่นนามกว่าเล่นที่จืนๆไม่กล้าไปน้ำลึกเพราะอะไร ไปจมแลไป่ได้เจอคําไปอีกฝั่งหนึ่งได้ลนะออมัวใจกลัวนะโอ้พูดถึงเรื่องว่ายน้ำนี่ยมามีประสบการณ์สมัยเป็นเด็กนะไอเพื่อนคนหนึ่งมันว่ายน้ําชํานาญแล้วใช่ไหมผมบอกเอาา้ามาบ้านที่บ้านมามีน้ํายมนะก ว, นะว้างเหมือนน้าโขงอ่ะเอ้ามาว่าแข่งกันว่าใครไปถึงฝั่งนั้นก่อนเหมงอนนที่มันว่ายชำนาญแล้วก็ไปมปปปปปาพอไปถึงกลางแนละ้วโอ้โหไปไม่ได้เลย มันมันวันเราแล้วมันจังอะนะเขาเป็นไงมันเกร็งอ่ะมันว่าไม่ออกเลยอะเือมันจะตายเอาทําไงอีกทังมไปดูมันก็ลึกเลยใช่ไหมอ่าไม่มันลอยวิธีลอยเลี้ยงตัวเองให้ลอยนะลอยลอยพอมีกําลังแล้วก็ค่อยค่อยไปเออนพอถึงบทมันมันนึกขึ้นได้มีวิธีลอยแต่ทำไงกันเชียงอ่ะกันเชียงพักก่อน ฉันเชียงฟ้าก่อนตั้งแต่นั้นมาโอ้โหเข็ดเลยัต้องฝึกไอ้ที่ตื้นๆให้มันชํานาญเขาเคอยลึกไปเท่นี้ทีดนี้ๆๆๆๆๆพอลึกทีดนี้มันจะเกิดชํานาญมันก็มีวิธีมีสุการใช่ไหมเดี๋ยวก็ข้ามได้อือันนี้ก็เหมือนกันนะจากทำของพระพุทธเจ้ามันค่อยจากตื้นไปหาลึกลุ่มลึกไปเรื่อยลักษณะรำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปแบบภูเขาขาดเช่ว่ามันค่อยลาดไปเอยียงไ ป, ไ, ปไปเทไปลึกไปลุ่มไปเรื่อย เราเป็นผู้พิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจากหยาบคือตื้นๆใช่ไหมกลางก็คืออ่าพอที่จะจมไปไม่ตาได้นะพอละเอียดไปจมตายนะเพราะฉะนั้นเวลาจะลงไปในะละเอียดก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องชํานาญที่จะไหวให้เป็น่ะที่จะจมลงไปมีอยู่หลายครั้งนะพอดูจิตไปนานๆมันดิ่งเข้าไปในจิตวืบเนี่ยมันแล้วตกที่สูงเลยนะแล้วตกเหมือนก็ตกไปจนกระทั่งเราสะดุ้งเลยนะ มันวิวลงไปมันหลุมลึกที่ไม่มีที่สุดอ่ะนั่นต้องระวังหลุมดําตรงนั้นด้วยหลุมดํำของจิตคือไปตกเพราะว่าคนที่ว่ากรรมฐานแตกก็เพราะไปตกอยู่นั้นแหละจสติยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวมันไปตกลรงนั้นอ่ะถ้าสติแข็งก็ไม่ตกอ่ะหมายความว่าเรายังไาวน้ําไม่เก่งไงเออพอหมดแรงก็จมเลยถ้ามันมีแรงอยู่มันกันเชี่ยงเป็นนะมันก็ไม่ลงลงนั้น มาเคยเป็นบ่อยๆเมื่อก่อนนะพอชอเผลอป๊ินบุ้มลงไปเ็นอะไรครับฮะมันเ็นอะไรมครับเป็นอะไรมันมัวตกใจก่อนไปเห็นอะไรมันกลัวก่อนมันกลัวตกใจเหมือนเราตกหน้าตกตึงสูงๆอะค่นัะนึกไปขนาดที่มองลงมาข้างล่างเรายังกลัวเลยใช่ไมยังไม่หันตกเลยอันนี้เหมือนว่าเราตกลงไปนะที่ถอนจากที่เรารู้สึกตกแถอนจิตยังไงก็คือตั้งสติให้แรง ตังสดิเพระจิตมันก็กลับมาอยู่กับตัวรู้สึกแต่การที่เราจิตมันตรไปเพราะจิตมันหลุดจากความรู้สึกตัวนั่นเองมันไปลงในภาวะที่เป็นนามที่เรายังไม่ไม่มีสตินะเพะนั้นเขเรยจิตตกผวังเราก็ต้องพยายามระวังตรงนั้นด้วยเพราะนั้นเข้าไปสู่มิติจิตไปดูนามอย่างเดียวโดวยที่รูปความรู้สึกตัวในรูปเนี่ยยังไม่ชํานาญเนี่ยก็ต้องระวังตรงนั้นที่ว่ามันก็ไปเกิด วิธีตนั้นเขาเรียกเป็นจินตยานเป็นวิปัสณูเป็นวิ ป, ป, ปลาสคือจิตก็ไปตกน้ำแล้วมันคืนอยากไง<ม>เพราะสติไม่เข้มแข็งเหมือนเราว่ายน้ํายังไม่เข้มแข็งไงมันก็ว่ายไปเลืกอ่ะพราะหมดแรงก็ทําไงก็จมลูกเดียวเพราะนั้นก็ต้องฝึกให้ชํานาญก่นอนเัราพวกที่ติดอย่างนี้ก็ค่อนข้างเยอะแก่ยากเหมือนกันนะถ้าในระดับวิปสัสณูจินตยานเรแก้ได้พอในระดับวิปลาสหนูนแก้ยากแล้ว ถ้บุญบารมีไม่พอก็ไปเลยแหละบ้าไปเลยน ะ, ลยละสมาถานแตกอนั้นก็ต้องฝึกกลับมาอยู่แล้วก็ความพอดีพอดีนะความพอดีพอดีของการเข้าไปดูอะไรต่างให้รู้กํากลังนะใช้คำว่รู้กําลังนะถ้ารู้กําลังเหมือนก็เราว่ากำลังของเราเนี่ยจะแบกหามด้สักห้าสิบรู้กําลังเอาแค่นี้นะแต่รู้ว่ามันจะแบกได้ห้าสิบเราไปใส่วไปเอาอีกสิ้หน่อยเจ็ดสิบทลบลับยากแ ล, กล้ว เหมือนกันนะเราจะดูรูปน้ำของเราเนี่ยทำไงบอเออหนักเกินไปมันใหญ่สมมติว่าธรรมาจะย้ายกองหินกอเนี่ยมาตรงนี้นะมรมาจะย้ายเที่ยวเดียวเนี่ยมันหมดมไม่ย้ายมันหนักถูกไหมไม่ถูกย้ายได้กองมันร้อยกิโลก็เอาไปขีละกิโล <laughs> ก็พลังเราไม่พอทีย้ายไปทีละร้อยกโใช่ไหมเอาไปท้ายกิโลกิโลเหมือนกันนะถ้ารู้ว่ากําลังมันน้อยเราไปตําหนีตัวเองว่าอ่อนไม่ได้แต่เอาไปตามกําลังของเรามันจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เขาให้ขน้นเพราะฉะนั้นการดูรูปดูนามเนี่ยถึงมันจะละเอียดขนาดไหนมันยากขนาดไหนแล้วก็ดูเรื่อยๆขนเรื่อยๆรู้เรื่อยๆเพราะมันเกิดความเชื่อนิจฉนามมันเกิดปัญญาพลิกแผลงของมันเอง พอเกิดการพี่แพงปั๊บนี่มันก็จะเห็นโทษเห็นคุณของชิง ท, ที่จิตรู้และสิ่งที่จิตหลงถ้าจิตหลงไปมันเป็นโทษอย่างไรเราก็จะรู้เมื่อก่อนเราไม่รู้โทษของมันไงเราก็หลงเรื่อยๆเพราะนั้นการที่จะถอนจิตออกจากความรู้ความไอความหลงความคิดได้เนี่ยมันต้องไปเห็นโทษของมันก่อนนะเหมือนคนจะทิท้งเหล้าทิ้งยาใช่ไหมถ้าไม่เห็นโทษมันทิ้งไม่ได้แล้ว กินอยู Say, ่ตายนะมันต้องเห็นโทษมันก่อนอันนี้เหมือนเราไปเห็นโทษของความคิดความนึกความปรุงความแต่งความอยากเราเห็นโทษของมันแล้วก็ไปเห็นคุณของความไม่มีความอยากเป็นยังไงเป็นเห็นโทษของความคิดเวลาไม่คิดจิตมันเป็นยังไงก็เห็นคุณอ๋อจิตไม่คิดมันมีคุณอย่างนี้เองเราก็ต้องเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งที่เราจะละเราจะเอาเสก่อน เดามันเกียรติธรได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็คุณชัดๆนะมันก็จะไปเอาต ร, ตรงตามที่มันต้องการนั่นแหละนะเอานั้นหลักการอันนี้ไม่ได้ต่างกันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ชำนิชํานาดเท่านั้นเองก็อาศัยทําบ่อยๆนะทําบ่อยๆทําเรื่องเนี้นะว่าคนเก่งที่สุดอย่างพุทธเจ้าท่านก็เอาแต่เรื่องนี้นะท่านก็ไม่เอาหลายเรื่อง คนเก่งที่สุดของอยังเรื่อเรื่ออัดอง์ก็หันมาเรื่องนี้กันนก็ไม่ได้เอาเรื่องอื่นนะเราก็อยากจะเก่งอย่างเขาว่าเขาทำเรื่องนี้ได้ก็เลยทำเรื่องนี้ไปเรื่องใดที่มันจะเป็นเหตุให้เราไม่รู้จักตัวเองหรือลืมลืมตัวเองน่ยก็ต้องทําเรื่องนั้นน้อยๆยหน่อยอย่าทําบ่อยนะแต่ว่าเราอยู่ในโลกของสมมุติเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งสองส่วนทั้งท้ายสมมติต้องใช้ปลามัติ ถ้าเราปฏิเสธก็ไม่ได้แต่เรารู้จักใช้เหม vale ือนกับกลางวันกลางคืนใช่ไหมเราปฏิเสธกลางวันก็ไม่ได้ปฏิเสธกลางคืนก็ไม่ได้แต่รู้จักใช้กลางวันกลางคืนกลางคืนก็มีคุณทําให้เราได้พักผ่อนใช่ไหมกลางวันก็มีคุณทําให้เราได้ทํางานความรู้ก็มีคุณทําให้เราได้ทํางานความหลงก็มีคุณทําให้เราได้พักผ่อนแต่อย่าให้มันหลงมาก เออมันมีกลาคืนสิบสองชั่วโมงจะนอนทั้งสิบสองชั่วโมงมันก็เยอะเกินไปเนาะแค่หกชั่วโมงก็พอหลงสักครึ่งก็พออย่าหลงมากถ้าจะหลงนะถ้าจะรู้ตลอดเวลามันก็เครียดเนาะไม่มีกลาคืนเลยไม่ได้พักผ่อนอะแย่ไหนเพรา ะ, ะนั้นรู้บ้างหลงบ้างมันพอดีของมันนะอะมีเกิดแล้วก็มีดับระหว่างเกิดก็ดับตัวไหนเป็นตัวรู้ตัวไหนเป็นตัวหลงอ่าข้อสอบขอสุดท้าย หาเหตุหาเหตุอธิบายด้วยระหว่างตัวรู้กับตัวหลงตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับเอาให้ดีรู้ดับรู้วก็ดับ <c oughs> ถ้าไม่รู้เป็นไงรู้ <c oughs> ถ้ารู้ก็เกิดใช่ไหมพี่จะให้ดีตัวนี้ ปัญหาเรีวยกว่าสิ้นฝนบางภูเขาถ้าสมมุติกลางวันสมมติกลางวันเป็นตัวรู้ใช่ไหมให้กลางคืนเป็นตัวหลงกลางวันควรจะเป็นเกิดแลอเป็นดับอืมนไหมกลางวันกลางคืนก็เป็นดับใช่ไหมก็เป็นตัวรู้หรือตัวลงวเออ เพราะนั้นการโยงเวหาในส่วนที่เป็นนามธรรมาเนี่ยต้องกลับมาหาในรูปธรรมเสมอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รู้รูปธรรมนามธรรมในวิธีการวัฏเพียนท่านแย่ยรูปธรรมนามธรรมแล้วก็รู้เป็นภาคทฤษฎีเฉยๆเนี่ยแต่ในภาคปฏิบัติเรากับสัมผัสไม่ได้นะเมื่อรู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะปรับไปสู่ความพอดีของมันเลยและความพอดีระหว่างรู้กับหลงระหว่างเกิดกับดับระหว่างกลางคืนกลาวันมันจะก่อให้เกิดพลังนะ คอยเกิดกําลังเนี่ยข้อบวกข้อลบเนี่ยไฟยใช่ไหมพอดีอ่ะมันเกิดแสงสว่างถ้าข้อบวกมากกว่า้อลบหรือข้อลบมากข้อบวกไฟนี้สว่างได้ไหมไม่ได้ไฟมันก็จะไม่เสถียนนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎสากลคือหลักมัชชิมาปฏิปทาในความพอดีในความพอดีของทุกเรื่องก็มาจากพอดีของการเกิดกันดับเท่าเท่ากันการทุกขและไม่ทุก ก็ต้องเท่าเท่ากันการทุกเปเรื่องของกายไม่ทุกเปเรื่องของจิตใช่ไหมแต่ที่นี้เราหนักไปทั้งทุกทั้งสองด้านเลยกายก็ทุกจิตก็ทุกเป็นไงมันไปแดดับฝ่ายเดียวมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนั่นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัตินี่ต้องการบาลานทั้งสองส่วนนะบาลานให้กายให้มันอยู่ในเขตให้กายนั่นนั้นทุกนะพอบำบัดได้ง่ายแต่อย่าเข้าไปทุกข์เข้าไปสู่จิตเนี่ย มันบอบบางยากท่านบอกว่าอยาให้มันไปถึงที่เรามาปฏิบัติในเพื่อสิ่งนี้นะที่นี้ทําไงจะให้ไม่จิตไม่เข้าถึงทุกไอ้ความทุกข์ไม่เข้าถึงจิตนี่ที่เราทําหาอุบายอันนี้ให้มันจํากัดอยู่แค่รูปมันจะพอดีทุกข์กับไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันกลายเป็นทุกข์ก็อยู่ได้จิตไม่ทุกข์ก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้มันกายก็ทุกข์จิตก็ทุกข์ไง ไหวไหมไม่ไก็ให้มันทุกน้อยลงมาสมมติว่าเราแบ่งตรงนี้นะสเกลอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบใช่ไหมไม่ทุกห้าสิบทุกห้าสิบแต่ถ้าหากความทุกมันกินเนื้อที่ไปหกสิบเ็สิบเนี่ยเนื้อที่ของไม่ทุกกินน้อยลงไปเรื่อยๆที่เราปฏิบัติเนี่ยขยับเนื้อที่ขยายเนื้อที่ของความไม่ทุกกว้างออกมาอย่างน้อยให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ถ้าล้ําเข้ามาทางนี้ได้ก็ยิ่งดีเลย ที่จะให้ร่างกายไม่ทุกข์ด้วยนะแต่ไม่ให้มันทุกข์ไม่ทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายนะียเพราะอะไรเพราะเป็นสังขารเป็นเตยลักเพราะนั้นให้นึกถึงทุกขธรรมอันนี้ให้ชัดอว่าเนื้อที่ของความทุกข์กับไม่ทุกข์ในตัวเราเนี่ยอันไหนมากกว่าแต่ถ้าหาค้นพบในจุดพอดีของมันเราก็อยู่ได้สบายมันจะไม่แบก น, นะไม่แบกน้ําหนัก ก, กันอะกันนั้นระหว่างหาบนะ ระวงหามระว่างแบกเนี่ยอันไหนสบายกว่ากันอานคนของในธรรมชาติในว่าเรานะบางคนถนัดแบกใช่ไหมบางคนถนัดหามบางคนถนัดถาบแต่บางคนถนัดหิว้ว <c oughs> เพราะมันจําเป็นนะใช่ไหมถ้าไม่แบกไม่หามไม่หาไมหาไม่หิว้วก็อยู่ไม่ได้แต่ให้เลือกเอาเช่อย่างนี้จะเอาอย่างไหนระหว่างแบกกับหามเนี่ยอันไหนที่ น้ำไปได้ไกลกว่ากันอันไหนเบากว่ามาแบกฮะเออกันแ บ, บ่งกันเออ น, นี่แบกใช่ไห ม, มแต่ถ้าหาบเลยเพราะว่าแบ่งบางที่ครึ่งหนึ่งแ บ, บก็นั้นครึ่งหนงแทนที่จะมารวมจุด น, นี้หาก็จะเบากว่าใช่อันน้คือเราหาบรูก็หาบน้ำนังไงทูกเท่ากันเอานะอย่างลราครึ่งถ้ามาแบกทั้งรูทั้งน้ำไว้ไหวเนาะ เอออย่างน้อก็หาเพราะฉะนั้นคิดในมิติเรื่องปฏิบัติให้คิดมิติง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วมันจะทําง่ายถ้าไปคิดนิติในนามมารมหมันมันคิดไม่ออกรอกเพราะมันเป็นนามมาทำมันไม่มีรูปแบบไม่มีรักเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเพราะอาศัยรูปเป็นที่ตั้งฉันถึงให้ชํานาญในเรื่องรูปนามเนี่ยเพื่อมันจะได้รู้เข้าไปถึงนามรูปได้นะเพราะนามรูปมันมันปรากฏบ่อยกว่ารูปนามใช่ไหม แะหว่ความคิดกับความรู้สึกปวดเนี่ยอันไหนปรากฏบ่อยกว่าเพื่อนอใช่นั่งไม่ทันปวดคิดไปรู้กี่เรื่องแล้ว <laughs> แต่อันนี้กูจะปวดในสิบก็จะยี่สินาทีใช่ไหมความคิดไปรอบไปหลายร้อยเรื่องแล้บางทีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราถึงบอกว่าทําไง้มันบาลานซ์กันมันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเอาความจริงมาพูดให้กันฟังแล้วค่อยฟังไป ไม่ต้องจํำมาได้บางคนเออพ่อเยอะจำไมาจําไม่ได้ะไม่ต้องจํำมากินข้าวเราโยมเอาข้าวปากขึ้นไาแล้ยกก็คืนไปคืนไปเดี๋ยวมันก็ไปเป็นอย่างอื่นนะถ้าโยมกินแต่ข้าวข้าวปากไม่ยอมคืนดีโยมแย่เลยกินข้าวไม่อิ่นั่นหมายความว่าจาเอาข้าวข้าวปากอยู่นั่นนะกินแล้วก็เหมือนกันฟังแล้วก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปใช่ไหมไม่ต้องไปจํามันจำเหมือนว่าไม่ยอมคืนข้าวแหละอฟังเข้าผ่านก็ตกไปยังท้องฟังผ่านหูก็ตกไปที่ใจ พอใจว่าเกิดกันรับรู้มันเก็บของมันเองเก็บไปในทรัพย์ความเชียอของมันเองเดี๋ยวมันค่อยเก็บออกมาใช้ทีนิดนิดนินะเพราะฉะนั้นเองก็ในช่วงนี้ก็สมควรเวลาเนาะขอให้เราทั้งหลายเนยนํำไปพินิดพิจารณาให้มันถูกให้มันชัดไว้เสมอแล้วมันจะง่ายแล้วเราก็จะชานิชานาน ถ้าเราจะชำนิชำนาญอันใดอันหนึ่ง น, นให้ชำนิชำนาญในเรื่องกุศ ล, ลธรรมพระพุทธเจ้าบอกกุศลสู้ประสัมพทาให้ชำนาญในเรื่องของกุศลแล้วก็สจิตะปริโยธาปะนังเมื่อชำนาญเราก็ต้องปล่อยต้องวางหยิบใช้เมื่อคราวจําเป็นเท่านั้นเมื่อเรารู้จักใช้อย่างนี้ก็เราก็หมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านถอ